ของดีมีสองอย่างอย่างนึ่งของดีบันมขาอย่างนึ่งของดีมีขาดไม่รา้ันเลือกเอาอันใดลองคิดดูนึก้องดีมีขากับ้องดีมนมขาใครจะเลือกเอาอันใดมิจฉกบอกของดีมีขากับของดีมนมขาดมิจฉาแล้วที่อย่างลองคิดคิดดูรับตาคิดนึกดึงของดีที่มันมีขา ตามภาษาคำนวณในทางธรรมว่าวหาค่านี้ได้เป็นภาษาบนภาษาบ้านเราภาษาไทยเขาเรียกว่าหาค่านี้ได้ของอะไรถ้าดีเลิศเลยจะจะซื้อขายกันบ่ได้ตอนนั้นเรียกว่าหาค่าก็ได้แล้วจะเห็นได้คือได้กับชอบคือได้กับสมถึงเรื่องโซเชียลมีเดียก่ที่อยู่ในกรุงเทพเราก็เคยเห็นแต่ว่าเราได้ยินแต่สื่อ เดี๋ยุได้ซื้อขายกันอาณั้ัก็เรียกว่าของดีค่ะขาก็ได้อีก น, นหนึ่งอย่างที่เราเห็นนี้ทุกวันถ้าพิดจช้กันคุณได้มองแล้วก็เมือนเชินดูให้กันเนี่ยโอ๊ยบัวรับให้นอนก็ได้ิ่งแสงใสหน้่่าหน้าิ่งแค่บุญที่ไดมยอมใจได้จับจนเจ้าคือของจนตัวก็ได้นว่าของดีวันี้า่าดของดีวันนี้คานอกจากนั้นอีก ที่ดีวิเศษสูดสุดกับมนุษย์ทั้งหลายซือ้วจะเป็นดินแต่วกนันของแรกซื้อเยนขายกันได้สิฉันอนนี้ก็หาคาหมดได้อันนี้กวของดียมีคามีไว้กับมีไว้ที่สื่อดอเป็นประโยชน์ดอกทั้งเป็นประโยชน์หาคาบได้เขาหนี้ระโหดจริงน่ละเป็นผบ้านผู้เมืองปกครองรภาษาประชารา่ให้เย็ยนเย็นในโลกเย็นเย็นสุขยาเขาแก้มาล้กดก็เป็นนิ่มงมุง เมืองแกเป็นนิ่งมงคลจะบ้านแกเมืองของเราประเทศใดชาติใดไดมีคือเมืองไทยของเราพระเจ้ามรดกที่จะเป็นพุทธรูปใหญ่โตของฐานขนาดนี้นนนได้มีเองไม่้แต่น้อยขนาดตัมือตัตีนขนาดไม่ได้แตน้อยนี้เราพระเจ้ามรดกเองง่ายๆที่เรมีนในโลกวนี้มัดทั้งโลกมีประเทศไทยอย่างเดียวแกว่าจะไปซื้อขายกันบ็ได้เป็นนิ่งมงคลแกประเทศชาติแกเมืองจริงๆนะ่ะเป็นของดีจริงๆเ่ย แกหาบุญอีค่าที่ไดอยาได้จะไปซื้อไปขายก็บบุตรใดมิผด้จะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้นี่เรียกว่าของดีบุญอีค่านอกจากนั้นในชีิดเราเองมีอะไรที่ของดีบุญอีค่าในชคิดไปเถอะอันนี้ของดีมีค่าเลยไหมอย่างของดีบุญอีข่าอียาหนึ่งทื่พระพุทธเจ้ากับบุญอีข่าที่โบราณพูดถึง ถ้าทำคำสั่งผู้ใจเจ้ า, าจะไปซื้อแลกเปลี่ย น, น, นไปไม่ได้เด็ดขาดเขาได้มีก็มีเฉพาะในตัวของตนจะไปให้คนอื่นเขาไม่ได้อย่างครูบาอาจารย์หรือผู้ใจเจ้าก็ต่างเถอะถ้าสาวขาทั้งหลายต่างๆเขาเพินน่นมีแล้วจะไปขายคนอื่นจะขายไ่ได้แต่ว่าเพิ่นนำออกมาแนะนําำตามคำของคนอื่นเก็ได้อยู่แต่จะไปแลกเปลี่ยนซื้อขายใ น, มนไม่ได้เด็ดขาดอย่างที่เป็นเทศอดในฝังตั้งกันเทศอดเมาจะเป็นไร้ล้านได้เหมือนนแสนเนขาได้กระบอบุกคุ้ม่า ท่านจะไปกิจตื่อว่าทําเป็นโบกุ้มแทะแกนั้นเป็นเครื่องบูชากันการคําว่าบูชาบูชาในทีนี้นหมายความถึงว่าอเอาไปบูชาของดีที่สุดเล่เถอะแต่บ้แม่งแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเนี้ของแลกเปลี่ยนซื้อขายต้องมีราคากําหนดกดเกณฑ์นั่ น, นเดงคือเขาซื้อผ้าที่อผ่อนซื้อสมุนของห่มซื้ออาหารจานจีนนั่นสิมันมีกำหนดกฎเกณฑ์เงี้ยเนี้ยอันนั้นเป็นเของซื้อขาย บูชาดิบว่าเป็นของซื้อขายซื้อขายก็บวมีราคาเลยเป็นแคเพียงว่าสัตระบูชาให้ซื่อๆบางทีอาจจะมากก็ยิ่งกว น, นันนว่นก็ได้น้อยกว่านั่นก็ไดเอาไปประทาประสมกันแค่สงก็บวมีค่าอีกอาจจะสงชาวกเจ้าทั้งหลายุติบัติดีที่บัาชอบในศาสนาจะเรียเสี่ยนซื้อขายก็บ่าได้้องมัอันนี้ก็ของพวกนี้ค่ากันนี่พอให้เป็นเครื่องคิด เขาก็อยากได้ทุกคนนะของดีบูมีค่ะใอ้แพทยก็ะจายได้ทุกคนนะของดีบูมีค่ะแต่มัญหาบูมีค่าจะสีว่างจึงว่าวาให้ฟังว่า้องดีบูมีค่ะอันนี้ของดีมีค่ะเสื้อนุ่งเึื้ผมเสื้อไซส์ในสองของเราแทงแสนแถงแล้วก็มีค่านิสาหนสดตกเย็นแค้งป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ซื้อกันได้นี่ของมีค่ะพอดีมีค่ะน้อยลงมากว่านั้น มัคพิมกมาเขื อ, อก็ของมีค่าคืออ่ะมืจักเป็นของดีมีค่าเดืดเดือดหน่อยอันนี้ว่าทั้งเรื่องตัวของเฮานี่กันคือว่าของดีมีค่าและของบดีบุญของดีบดุีค่าลังคิดดด้วยตัวของเฮานั้นซื้อขายกันได้บ่เขาเคยซื้อขายในสมัยหนึ่งพระเบเอาสลักเอาขาทางเมืองโอ้หน้าของดีทำก อ, องของนั่นสิมาขายเป็นขาไทยคนละห้าบาทหบาท อย่างมากตัวทิพย์สองบาทสมัยนั้นหอเป็นขาดในสมัยนี้เขาก็ขายกันเยูะในกรุงเทพบอลจะเอาขาดคนล่ะคนไทยขายคนไทยนี่น่ะขายกันในตลาดกรุงเทพปื๊ดเวืยกันเลื่อยกันสายกันมื้อนี้รีดีคนหอยังขายได้มีขายจะเป็นพูดดีพูดดีปไปเนีเป็นยังไงผู้เป็นเศรษฐีมหาเจธีร์เขาลักกันพวกขโมยลักไว้ไทยเสียด้วยว่าฆ่าไทยคนละร้านละ แขนเขาตอนนี้ยังมีอยู่สุดเลยนี่มีเรื่อยอยู่มีมีค่าคนหอบแล้วก็โ่เม่นแต่มีค่าเรือยคลองดีนะจ๊ะอย่างว่าเขาไปถ่ายแล้วตั้งแสนเนี่ยเป็นล้าน น, นะน๊ะคนนั้นถ้ากลับคืนมาแล้วสามารถเขาจหาได้เงินจั้งล้านอีก็ได้นี่มีหหลายล้านกันเลยเห็นนั้นจังว่าคลองดีมีอยู่ในตรวงคนหอบมันยังหมดสุน เขาใครจตั้งร้านแล้วเชื่อของกลับคืนมามาทำมาหาจิ้มเขาขายให้อยู่มันจินยังได้เงินตั้งหลายล้างอยู่้นเด็ก็ยังมีอยู่อันนี้จะเรียกว่าของดีไม่มีเยอะในตัวทของคนท่านอยู่ไม่ว่าของดีขายนอกที่มองเห็นกันง่ายอันนี้ของดีที่ในโยคภายไหนตัวตนคนเราเกิดขึ้นมามีของดีเยอะทุกคนั้นหา่ามมือจัดหาของดี อยู่ในตัวของเราเนี้มันตาหูจมูกล่งางกยแต่ละอย่างเรอย่างดีนัแทละอย่างตาเขานี่แหละเมื่อแม้นจัดก็ว่าจะเอาไปเบ่งสิ่งภายนอกเพียงว่าไปเบิ่งรูกงวงลูปควายรูกจั๊ ก, ก, กาเราสิ่งหรือสุู่ปคู่ลูกคนนั่ก็ตามรูปสิ่งของวัตถุใดๆก็ตามถ้าหากว่าเรามีตาเนี่เราสามารถจะได้ขอดี เราซสิ่งซื้ของกันมาจ้องอาศัยตาด้วยเพ่อจะดของดีของบอดีก็เพราะตาบดีทั้งของดีๆนะที่จะได้สายตอต้องคำที่ได้เป็นเนื้อแท้มันก็เพราะตาตาดียิ่งจะได้ของดีทัานตาบอดีได้ของเจ๊ถูกคอจมมันชื่อเป็นต้นอันเรียกว่าของดีซึ่งมีตัวห่าวมันมีของดีมันมีของดีในตัวห่าวก็นอยู่ในตาจะเพราะหนูจะมีของดีคือสัน แล้วแม่ฉันจะไปฟังแคำยกย่องฉันล้เสียงคนอื่นแล้วผมแม่ฉันจะเาไปฟังเขาแกล้งเขาดา่าเขาเหยียอย่างดีถูกเท่านั้นเรายังฟังคำคำสอนไปเจ้านําเอามาไว้ในจิต ใ, ใจของเราได้อีกทางหน้าเฉยๆฟังเลยเอามาเลือกเส้นเน็ตใจในตัวของเราได้อีกเนี่ยเรื่องเรื่องหูมันมีดีเลยแม่หูธรรมดาถ้าเราฟังเป็นเราเอามาเลือกเอามาเซนออเนอาพิาจารณาถ้าใส่หูนั่น มีคุณค่าสูงก็หูนั่นอีกหูที่เราฟังของดีๆเนี่นเอาของดีๆในเส้นสอนให้เราละตัวทำดีละ น, นั้นเป็นของบดีอันนี้เป็นของตัวให้ละแต่เราปฏิบัติจังชั้นเนี่ยก็ดีปฏิบัติที่ก็ดีทเส้นสอนกน็ดนนีแล้วเราได้ฟังหูนั่นเราได้ฟังแล้วเอามาไว้ในใจของเรามาปฏิบัติที่กายที่ใจของเรากายใจของเราที่เราปฏิบัติ ด, ดีนี่แหะ ห้าหูเนี่ยมันแตกมันดับหูเนี่ยมันเสือ่อยมันเนา่าหรือมันแตกมันตายเพราะของบดีอที่ที่ตัวงเราขึ้นหูนั้นแหะมันบดีไมไ่ต้องแตกต้องตายเนี่ยต้องดับต้องสูญแต่ขวงดีที่ได้จากหูคืออะี่เดี๋ยวฟังแล้วนั่นแล้วก็ฝังไว้ที่ใจเราเพือปฏิบัตินะว่ามิเสือ่อมสูงมิแก่สลายเราคือได้จากเถือ่อแล้วสามารถจะนำมาขวาดีเนี่ยที่เราก็ปฏิบัติน่ะให้เป็นคนดีขึ้มาโดยลําดับ แต่เหตุที่เรามาทำดีนี่ก็เพราะอาศัยหูเด้อหูที่เราได้ยินเนส้นสอนทางดีเนี่ยนั่งค่อยนามมาเพื่อปฏิบัติเป็นก้อนเปร์ด้มาแล้วบกเคยรักษาศีลไม่ บ, บ่เคยทำบุญทำทานไม่บกเคยเขวัตเขวานเชื่องใจมัวมอประมาทรุ่มหลงอยู่เดระการาตา่างๆพอได้ยินเขาแล้วได้ยินทส้นสอ น, นอเสกเสือจากหูได้ยินอันนั่นโดีอันนี้ส่วสนเส้นสอนให้ละ พอล่าแล้วเราก็มากลับเป็นคนดีขึ้นมารักษากายว่ า, าใจรักษาสินห่าสิ้นแตกกระทั่งรักษาสิ้นจิตสินสามะเนรจะเป็นสิ้นสิ้นจังน้อยยี่เจ็ดเป็นของที่สุดสามะเนรหรือท่านสอนให้ทํำสมาธิภาวานาสอนให้เจริญฌานสมาบัติเพื่อให้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในที่ยงธรรมะเพื่อมันแนวเนี่ย ใ, น ใ, นใจงของต้นพ่อใช้หูเท่านั้น ของดีวันนี้เเสื่อมตินอยู่ในชาตินี้ก็เสื่อตายจากาตนี้ไปสู่ชานอาวโลกนะของดีนียงกินกาวจนไปหูนีเฟิลฉะหวฉลาดินะมันแตกมันฉลายคือมันตายนั่นกับฟิลมันีอาศัยหูจะแท้ของดีอันี้ของดีมีขาดเมื่อเอามาใช้ได้แล้วกลับได้เป็นของดีบดยมีขาด อย่าพระเจ้ามรดกจะก่อนจะอยู่ในมณฑลกรเลียงจันทร์เน่ทัพไทยมาลบเลียงจันทร์เห็นของดีเพราะตาดีนํำมาไปไว้ใส้เอาไปไหว้บูชาตะกราบูชาในมณฑลไทยคนเกิดท่าเรื่องใจเพราะตาไหว้ตะกราบูชาเลยได้ปัญญาเลยได้บุญได้คุ้มสน่นกลับได้ของดีวงขาบุญคุ้มสนนั้นไปแจกจ่ายขายบนไห้ก็บรได้มีของดีมีในตัวของเัา เพราะฉะนั้นอันนี้พูดโดยเฉพาะ พ, อ, พอเพียงติดเครื่องคิดถ้าเราจะพิจารณาไปมากๆให้จะเห็นร้ายตาหูจมูกร่างกายใจของเราเนี่ยของจะดีอยืนล้นของดีทั้งของดีนี้มีขาดและของดีนีค่านะ่ะสามารถจะเฮ็ ด, ดีให้จนได้ของดีมีค่ะขึ้นมาตัวของเราเองมีมากมายเหลือหลาย เราพอเป็นเครื่องคิดสมมติให้จับอันนี้หละเป็นเครื่องพิ่จะนาต่อไปที่เรียกว่าของดีมีอยู่ในตัวของเราคนเราถ้าหาลูกจับของดีอย่างทีแล้วนะหู้จับของดีมีคาแต่หู้จับของดีบนันมีคาเท่านี้แหละหู้จับเท่านี้ได้ชื่อว่าเกิด ป, ปัญญาเกิดมาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาในตัวของเราแล้วเมื่อเกิดสัญญาแล้วสันิน ปัญญารักษาตัวเลยเป็นทีเรียกว่าปัญญาดีถ้าหาปัญญารักษาตัวเรได้ก็นี่ยโบนิปัญญาก่อนบางคนได้ความรู้ความฝ่าใจฉลาดเตียงป่านมากแต่หากโบรักษาตนเองโ่นี่ปัญญานะ่ยมันนั่นเป็นสัญญาไปแค่มันถ้าพูดตามโบราณเท่นว่ามู่แล้วต่าวพาโล มันเลยเปลีนปเปีเป่ยนปัญญาสิปัญญาจะเปลยปัญญาถ้าปัญญามันต้องฉลาดสิรอบรู้เห็นของจริงเข้าใจต่างเป็นจริงดังอธิบายมาเนี่ยมาของดีในค่ากับของดีพวกมีค่ามีในตัวของเรานี่สามารถของดีมีค่าสร้างของดีให้พวกมีค่าเกิดขึ้นมาั้าของดีพวกมีค่านั้นโดยของดีกได้ซื้อได้เดี่ยงวาของดีมีค่า อันของดีวงมีค่านี่แหละผู้ใดสะปาดษาทุกคนขคาของบุเดรซื้อเลื้อซื้อผู้ใดเป็นของราคาสูงเมื่อได้ของที่ดีมีค่าราคาตงสูงอย่างเชื่อว่านี่แหลมแม่เปยอมชิมของดีมีค่าราคาต้อสูงใดอย่างไรใครจะไปยอมทิ้มสมมุติว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ้ามระกดนะในโลกนี้บมีผู้ใดนี่แหะ ประเทศใดชาใบวกเยนี้ที่ประเทศไทยต่ต่างคนต่างพาเทิดทูนต่างคนต่างพากันบูปารกษาฟองการเมื่อทุภูทุผลรัฐบาลช่วยกันงองการทั้งประเทศชาติประชาชนพลเมืองก็นับถือว่าชาตินาภ า, าพั้งหัวเห็นมดอนี่ยของดีนีค่าของดีเยนโบมีค่าเจะต้องการรักษาอนี้ของดีโบนี้ค่าที่มีในตัวของเรา อย่างว่าเรามีใจศรัทธาเลื่อมใจในพุทธศาสนานี่จะไปขายผลเอตุได้ได้สถานเชื่อกรรมคือเชื่อว่าเฮ็ดบุญได้บุญสร้างบุญแล้วได้บุญโดยความสุขควงสบายเฮ็ดบาดได้บาดเฮ็ดบาดแล้วมันฮอเดือดร้อนท้ายหลังเฮ็ดดีร้อนจะตลอดเวลาแล้วเข้าใจอย่างสิเราเชื่อมันยังสอ เรีว่าเสื้อกรรมเสื้อผลของกำรรเชื้อว่าบุญมีบาปมีเห็นแกงในใจของตนได้แท้เรีวาเห็นเฉพาะตนไม่คนอื่นบอกอาคนอื่นบอกอะตามเถอะถ้าหากเรเห็นอย่างที่เราเนะ่ยโบเสื้อใจของตนเองโบเป็นการเห็นเฉพาะตนชามาจะทอดทิมได้กลมดีนะกลมดีจะบปิขารถ้าเห็นเฉพาะตนเพราะเหตุที่เปนเกิดจากปัญญาที่เป็นปัญญาแท้แล้ว ก็าสามารถทอดทิ้มได้ผู้มีศรัทธาวัชาามาะเจตสละศรัทธานั้นออกจากใจ ต, ตนได้เสื่อมันนักเนี่ยในภายในตลอดกาลเวลาอันนั้นของเดียวนิภาเกิด ข, ขึ้นมาคือตัวศรัทธาผู้มีศรัทธาจะเสื่อแน่วแน่ใ น, นตั้งมั่นอยู่ ใ, ในใจของตนตลอดกาลเวลาดมงนีเสื่อมสูญไว้กีท่ทีอันนี้เป็นต้นเพียงแค่วัทฌา เห็นค <The> <The> ุณค่าของสัทธาเสื Double ่อมันในสัทธาเป็นของอีปการเราจะรักษาสัทธาในว้ยตลอดกาลเวลาเท่านี้อ่ะเรียกว่าเราเข้าถึงพุทธศาสนาเรายั่งถึงธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้วเห็นด้วยตนเองแล้วเป็นขันแรกทีเดียวละตัวสัทธาเท่านั้นเมื่อสัทธามีแล้วคันเห็นสัทธาเป็นของมีค่าหาราคาบ่ได้ซื้อขายตับ่ได้ในตลาดแล้ว ฮาเนี้ตัวรักษาสินเด้ชื่อมีสินฮาจะจะ ง, งวงในสินฮาของตนฮักแทงในสินฮาของตนเพราะสินฮาเป็นการเ่อเรียนแก่โทษเขื่อมัน ใ, นในใจของตนสินนี้จะไปขายตลาดเขาก็บอกอีกจะขายประเทศชาบ้านเมืองได้เขาก็บอกอีกขายก็ได้ยังเรื่องของมีค่าสูงนอกจากจะมีค่าสูงเพราะขายบอได้แล้ว มันยังหลายเรื่องถ้าพูดเลิกเข้าไปพูดอ้วงเข้าไปอีกตัวนั้นอันนี้ส่งท่องศีลอย่างเช่นวาเวย์ชีเลนสุขศีเลนโภคสมประทานจะมีพวกกัตบัติก็จะทานมั่งมั่งมุลบริบูรณ์ก็พอศิลชีเลนสุขศีงันติจะไปสู่น่ะสุขติไปในที่สุขศีก็พอตัวศิลชีเรนโภคสมประทานไอพวกกัตบก็พอศีลีเลนนี่พวกจริงงันติ จะค้นจากทุกในวตสาสงสารในพก็พอสินจะคิดว่านั่นะตัวสินตัวเดียวสนะถ้าหากเห็นว่าสินเป็นของที่ให้ประโยชน์คือมีพวเขาตัมบัตไปสู่สุคติถึงกมดับทุกได้ในวัตสาสงสารเสื่อมันและผู้ใดที่เป็น ย, ย, ยอมทิ้งสินมันั้นไม่เห็นในใจตังตนชั้ในในใอง่ตัวนันใครจะเป็นยอมชะใค้จะเป็นยอมทิ้สิน แต่คนต้องการทุกแต่ทุกเมื่อนี้คนต้องการทนั้นตัวต้องการสมบัติต้องการไปไปสู่สุคติต้องการดับทุกข์ใครก็ต้องการทุกคนตัวอันนี้สมควของการรักษาอย่างนี้ใครจะไปชิมใครจะไปชิมสิทิ์ได้นี่จะมาเป็นขอมีคุณค่าเที่ยวได้อีกละเป็นของหาราคาไปได้อีกลคือเหตุที่จะให้ได้คนตกอย่างว่านี่เที่ยวไปได้ขานกันไปได้ ถ้าเราเื่อมันกับฐานีบางตัวเอนะเราเห็นเจอสินนี่เป็นของดีลแล้ววก็จะมันอยู่ในสินผู้มีสินหาจะมันอยู่ในสินหาผู้มีสินแสบโป้คุณได้หลายก็่า า, าได้นี่จะดียินดีกับสินแสบผู้มีสินจิตโทกเราจะได้หลายดินคนดีของเราได้หลายกว่คนดีหลายก็่าากว่าแสดมันก็ดีขึ้นมาเชื่อมันในสินตัวเห็นคุณค่าของสินนี่ก่อน ก็วันี้พระฤๅษสามารถชละสินแปดสินจิได้ิ่งผู้น 11, ี้นสินลังอิจิตคือพิจุในพุทธศาสนายิ่งสมบูรณ์บริวณทุกสิ่งทุกประการข้อมูลม่หมดและถ้พจะยอมชละสินสินได้ผู้บวมในพุทธศาสนายอมสินสินแค่ยอมช ล, ละได้แก่ผู้หวมคุณค่าของสิน ได้แก้ภูมจักของ บ, บุญมีค่ายอมชลาของบมุมค่าไปแรกก็ของมีค่าเล็ก่น้อยหรือเปยอมมาแรกกับของที่บุญมีค่าเลยตัวแนคือทอดชราจิ้นมัิ้นชราเย็ดชิ้ น, น, นเลยแม้แต่ิ้นห้าก็เลยจะดบุญอนค้นว่ามีชิ้นห้าชิ้นแปดไปจาในตัวแล้วมัน จ, จะมีค่าอย่างนั้นอันนั้นง่ายแหลของบ็คค่าอย่างบอดีได้บั่น คือดูบูญผูนับนาถือตาบูญผู้เคารพบูชานอกจากวันนี้คนเคารพบนนาถือตาว่นมีคนบูชาแล้วเจ้าของเองก็บอกมองดูเจ้าของแล้วเริ่มเห็นมีของดีเองเช่นกันจบลงแล้วพวกเราบุญยังเป็นคนเต่าเป็นคนว่างจากของดีเต่าว่างจากของดีมองดูข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเ้ยบุมีเี้ยเช่นกันไม่ใช่อุ่นใจยิ่งได้ยิงไหน มันกีน้มีแต่เดือด้อนเป็นทุกตกนโลกทางจิต ท, ทันทีเพรนะนี้นนอันคาว่าสินเป็นของมีค่าหาค่ า, าหาเป็นของมีค่าซื้อขายกันมาได้เรื่องของหาค่ามาได้ในเรงนั้นเรื่องเียสินเรื่องสินส น, นั่นะจึงว่าเป็นของหน้าเสียดายเสียดายมีแล้วไปทิพนนั์เป็นของหน้าเสียดายละด มันร่างกายชีวิตชินไปเสมอเสมอคือสมเจสำลักคือสมร่วมือลงหวานลงปีลงเดือดกันเรียกว่าินไปเสมอเสมอในอดสิทธ์พวกนี้ก็ชินสิทธินี่ชจนงานคนดีก็ชิมเหมือนกันพร้อมแบบกับมันชิมยึดอวยวะร่างกายทข็งขาร่างกายชิมไปพร้อมกันเจ้ากล้องก็มีแต่ของชินของเสียพวนี้แค่ไปเห็นแต่เกป่าเกเรองหายแต่องอยู่ของกิมยันจะไปยินมไเต็มมออา้ของภายนอก มือของภายในเป็นรักฐานมันคงเรียกว่าคนบ่มีรักฐานยกลงพูดเช่นนั้นหากว่าแสบ ด, ดับสังขารร่างกายแสบ ด, ดับไปแค่ที่เอาอย่างทีรดีเพิมบ่วงีเพาะบ่วงี้แก่บ่วนี้ที่พุด น, นี่อาศัยเหมือนกับคนลอยอยู่ในกลางน้ำมหาสมุทรไทยนั้นหาสอบสืดฝังแดนบ่ได ครวงนี้เครื่องเกาะมันก็วงนี้ผอบเขตทางแดนทันทีหมายว่าเรามีเครื่องเกาะคือเห็นชมดยสุดในสินของตนอยู่ตลอดเวลาหรือเห็นศรัทธาความเชื่อมั่ในใจของตนอยู่ตลอดทุกเมื่อแล้วอันนั้นเป็นเครื่องเกาะนะก็เราจะทุกข์เราก็บทที่มันนั่นเราจะจนเ้าก็บทที่มันนัเรามีแล้วก็บทที่มันนั่นเรามีความสุขควาสบายแล้วก็มีเครื่องเกาะคือชมดีของจนพิสิทธิของตนมีอันนั้นเด็กเป็นเชิงอยู่ หรือหาเราเจ็บใข้ได้ป่วยเครื่องเจ็บของป่วยของไข้แล้วก็จะหมดซึมแล้วจาวนั้นเป็นเครื่องเกาะซึเหนี่ยวอยู่ตลอดเวลางั้นเราล้มเราตายแล้วก็มีเครื่องเกาะซึมเหนียวฉะนั้นต่วก็ยังเป็นคนหาที่พื่นได้แต่ดีฟังแในคาเรสถานยังโอโคนาทิกรติเขาได้เจ้าถึงเทียานเลยห้หาตันหาเกาะหาดอนนี่เป็นเครื่องพึงหาอาใัยยังโกโคนาทิกฤติ อันน้ำบท่วมคือกิเลสบท่วมพวันั้นน้ำคือกิเลสมันท่วมถ้ากิเลสท่วมระวบ่มองเห็นคาดีแล้วนน่เคือคนตกน้ำน่ะจมมัดบว้ในนหัวไปซีมไปหาซ่งบันไดนกิเลสท่วมหัวใจคนแล้วน่ะบุัจักดีบุัวจักเสวบบัจักบาปบุญคุณโทษปรยชนบุหัวเปนปยชน์ใ้วันที่สูบแลวบุจัก ว่าจากว่าว่าจากพระเจ้าพระสงฆ์พระเจะเ้าก็ไม่เห็นหทงนนนนนนนานงใจอย่างมันเทามันติ่งจมวังมื่อที่เมแดมันเลือกมันมืดมันจะจิตมืดอันนั้นแหละเพราะว่าน้ำท่วมอันน้ําท่วมมันคือน้ําแกงน้ําทะเลงที่มันมันยังมีมีพอว่ายไปหอดไปถึงได้ยังมีเวลาที่จะว่ายไปหอดไปถึงเนี่อันน้าคือสิริพุ่งหัยใจคนเนี่จะที่ว่าจะบ่ได้ถ้าวันเกะาะบ่ได้สักอัน เนี่ยยังโโคนาพิจิตติเป็นไรถ้ามีเกาะเสียงจะร้อยฟังมีศีลมีกตฐามั่นใจข้งตัวนี้ตลอดเวลาเป็นครื่องอยู่เครือาศัยแล้วนั้นเจ็บใครได้ป่วยมันก็บอกกังวลตายก็บ่กได้เสียโดยได้เสียดายเพราะเรามีที่พึ่งมีที่เกาะที่เกียวมันเสียของดีในตัวของเฮามันให้ดีได้ยังที่ได้ ของบด่ดีของดีมีขาน่ะนะเฮ็ดไปเฮ็ไปจนกระทั่งถึงของดีบ่มีขานอนี้ว่าจะเพียงศรัทธาเราเรื่องศีลที่นี้อยู่ในตัวของเราเราเฮ็ดจนมันเกิดมันมีขึ้นเมื่อมันเกิดมันมีขึ้นมันงอกงานสม้นมาแล้วก็รับษาอะไรอย่างนี้มันเสื่อมตามไปเมื่อมันดีมันมีขึ้นมาแล้ว พอจะรักษาไปยังมันอันตรายสูนหายไปมันมีน้อยการรักษาวน้อยใช้ก้อนเส้นเส้นหาที่แก่จะได้เท่านั้นใช้ก้อนนันของมันมีน้อยจะจิ้มซ้ําหันมันเป็นทีว่าไหนแค่ที่เอาอย่างนี้น้อยเราเอาเราจะจิ้มซ้ำมาแล้วเท่นั้นอันนี้น้อยโอ้เราได้เท่านี้หนออันนี้ของใส่น้อยน้อยกนของเพิ่นหลายเอาคือคนไปจังน้ํานี่นะอันนี้ก็กลองน้อยน้อยหนึ่งกับกลองน้ําจีก็สร้างเท่าไหร เขาเียง้อยกาังน้อยก็ต so ักได้ทเต็มมันก็เอาแล้วดีใจละมันตักหลายเทอมได้สิได้เพื so ่อนอะไรเพื่อนในกู้ใหญ่อะไรนะถ้เขาได้ก so ู้ใหญ่แล้วเขาได้เพิ่นเฮียงมันจะตักไปใช่ไหมเขได้หลายเว่าท่านเขาตักบดเขามันตักมันตวงเขาเฮามันเที Когда ่ยวอยู Yong ่มันจะได้หลายเท่าเพื่อนอันนี้แต่ยว่ับางคนก็เป็นอีกอะตักแล้วหลายตักแล้วจะหา่อนก็เด้ว ห้ามือตีบมือปวดาจก็เชื่อมันก็เมื่อเป็นเยอได้ก็เปลี่นสักหาบได้น้อยสบองน้อยตากก็มือตมือต่างกันเรื่อยมือเราเชื่อเชื่อมันก็เต็นได้สิกันี้แล้วได้หลายก็เพื่อหาซีบจำได้มันคนนั้ตั้งใจยามันพอแล้วกันหาบบักใหญ่ใส่จนหลังแอลหลังแยนเวตาก็แล้วใส่สุ่มไว้แล้วกินทังสี่มือห้ามือหรอเปุืไขก็เชื่อจินไปจิ้นมาแล้วเมื่อเต็มได้ อันนี้แหละอันไฟอย่างว่าให้ตามเรื่อยๆนะมันคนที่อยากกันว่าบวชเป็นผ้าเป็นเลงก็ดีเป็นแม่ค้ามีซีก็ดีเป็นยังก็ดีมันได้จิตเอาหาบซีผู้นรหลังโดหลังโขกูหนังตดตาไว้แล้วาสิบดชจอีกจะเชื่อจน่ะเชื่อจิงได้ันไมันเปลนจารไหนมาทำคนงามคนดีมันบวะเป็ี่ยนอไหนมันค่อยพยายามคือตั้ง เติมเสื้อสือศรัานะให้นักแน่นมันคงไว้ชก่ก่่คือไปตักซูมหมดทีเดียวมันพอแล้วฉันบอนเอคือเขากินยู่เส ม, มอนลยะเขาก็ตกักมมเสมอฉันแต่ว่วมมมมเาเขากินเสมอคือไม่หยิบารามาสร้างคนงามคมดีเนี่ยนศะัาเมื่อตั้งมันลงไปแล้วเรียกว่าความเพียนนี้อยู่บนท่อถอยในศรัทานี้แล้ว สินห้าสินแปดมันสามารถจะเผือได้มันสามารถจะหลงลืมได้บางคนว่าสินห้ามันน้อยอย่าได้สินแปดหรือว่าสินแปดมันน้อยอย่าได้สินชิมันก็จะลืมงองามขึ้นไปบางคนก็มีทู่สินห้าู่คีเลบอมันคอคิ้ว้าแน่นี่ถ้าจาสินห้าก็ไปเห็นได้ยังผ่วไปสินป้าก็ไปินน้เงิน่อกปหาเนื้อหาเจอเพ่หาเน้อเงินผัเมารักษาได้สินอยู่ว ไปอา้าเสร็จได้เหรอมีการเห็นจริงของอะไรที่ถลักถลกขโมยเสนไหวไปเห็นเงินเงินทองก็ตกเงินหนดแ้ทางชักันช็อปผานทีเห็นตาลูกตาแดงนี่ใสกนได้อาจจะไปเมาจะไดสาจรินวิจิตรเพลินม่อของได้ตลาาตัวนี่พ๋วบ่ายมาซ่าใสกระเป๋าไปจ้อยอาจารย์มันจะขาดได้เลยในสินมันจะเห็นคุณค่าของสินแดนไปเห็นแต่ของคุณ นั่งของภายนอกคนก็ของดีนีขคดไม่ใช่นะไปได้พอปานนั้นนึงเห็นขาดแล้วเห่อค่ะรักษาสินตัว ไ, ได้ดีบทนี้บุญเยนะเพื่อนเห็นจะสินคือการรักษาคือการรักสมุเอจ้ะบทต้องรักษาละเห็นแล้วเอาโลดเจ้ะเห็นได้อุญุอุญ่าจะมาเลายตีใจว่าตัวดีเห็นดีตัวสินได้บ้านนี้ การเราคิดจิในชาติางข่าวของพระสวัสดิ์ส um, ินจิินแกสินจตตามเขาทํานองเดียวกันนี่แหละคนว่าเห็นคุณค่าของสินนั่นอ่ะเขียนสินได้ง่ายง่ายโดยมากคนมักถือกันเป็นโฟนนั้นโดยเห็นคุณค่าของสินถ้ายจิค่าท้าได้ทลกบวันเก่าเขามีเขารวยกว่ีน้องเขาเขาเริญต้องเรีนกว่ามี้งเขาลักทายที่แตกเพาว่าทองทํามี่สมือมอ ทุกวัท้าวอันศิลป์พวกเขาว่าสายมีก็ตัวยังรวยก็ตัวยิ่งสัมพวกเขาตัวหลอกลวงด้วยตีนตอกด้วยประการต่างๆแค่ยังรวยก็ตัวกิ่งสัมตัวรักษาที่แก่ก็ได้อย่นี้มันเคยมีแล้วนะอันนี้นะใครเคยว่ากวเขาเลยนะใครได้กินก็หัวเฮ้ะปฏิบัติพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เขามาถามมามากมายนุนนามาที่ว่าแล้วเอออะไ รักษาศินก็าไปได้อย่างคือมันยังได้เบอร์ใเรื่องมันนะสาบออย่างนแรักษาศีลเขาไได้ยงบางคนยรวยเพรเ้าดาเทารักษาศินเขาไปยังเยอที่ตายอะสิเท้าดอกะสิใช่ส่วลยวฉันมันรู้เล่าไปได้เมื่อถึงบุตรงันเอใ้จ้ามึงรักษาไม่ไหวให้ไปได้จ้ามึงรักษาตัวอ่ะมึงไปรักษาศาสนาไม่ยังเต็นมาแต่ใดๆนี่วะ ให้เจ้ามึงรักษารักษารักษาก็กษามึงได้ไหมเขาเลยไปไอหผู้นี้แต่ลวต่างเหมือนใจมันออกไปดีมันหึงอย่างนี้คืไปเอื้อนอ้วนวานัาผ้ามาใสมาใส่รักษาสิ่งแค่นี้จะมาใสยรักษาให้ใครเด้อสิ่งเขาไปผู้รักษาใส่คนนี้เกี่ยวอะไรกับใจนะใครจะบอกจับใจไม่เคยรักษารักษารัทษามึงใช่ไหมสับธาบเกิดปัญญาบุญรักษาพอได้ดอกสิมันต้องมีปัญญาเด้ เนดีเห็นชอบเยอะแยเห็นคุณใจสน์ในการรักษาสินอย่างที่บังในสะกรไม่ใช่ใครเยื่อรักษาสินได้อันนี้ถ้าหากว่าเลิกเข้าไปกว่านั้นอีกเมื่อเสื้อมันในการรักษาศินแล้วสินก็เป็นการสลัดผนตัวขอ ง, สงเสื้อว่ามีในตัวของตนเห็นคุณขึ้นมาด้วยมัเป็นของเรือเป็นทางนามาถึงสมศึกสมสบานที่ได้กระปัดกษารสมศึก การสละนะ่ะมันเข้าไปถึงใจเด่เทัน้นแต่ว่าเวลาสิ่งที่การรักษาายวาจาแสีสนั้นเอาแต่สองภายนอกที่จริงมันนั่นใจผู้น่ะเป็นคนรักษาที่ยึดถือเจตนางดเล้นคนน่ะคู่ใดถ้าห่างงดเว้นจะ ไ, ได้ความสุขแล้วรักษาสินงหนึ่งที่ต้างหากเราบอกว่ามีเจตนานงดเว้นภายในลองๆมึงรู้หาคนซื้อไได้ดอกอย่างว่าบอกฆ่ากัดละแม้นงดเล้นบอกฆ่ากัดย่างสิ่ขาด า, าสียน ท่านเห็นฟ้าตัวใหญ่ๆเฮ้ยป่านนี้เขาจข่ามาเนาะเขาจะซื้อออกวอันนี้ปัวเห็นฟ้าแล้วเห็นหมูเขอยากินเนื้อหมูเนปวงเนื้อฟ้าเนาะหน้ป่าน้เขาจะข่านอานกันเขาจะซื้อออกหัวเขาข่าแล้วเดียวใจแล่นซื้อของเขามาจารย์ดิมันบ่สบายใจได้กันตวพกขา่าจะยินดีเขาขา่าใจมันมั่นสบายตัวมันอิจาลี้ยงสัญญาอยากกินอยากได้อยากได้ข อ, ของเขาอยู่ันจารย์ด อนนัมันยังบวชฐานบริบ the ูรณ์อีกนะนยังบวชฐนบริบูรณ์ยังบวได้ควมสุกถ้าระวางเฉยไม่นเองไปหาได้ปล่อยวางเฉยนี่คือสามเรื่องไม่คิดถึงอะไรภาพร่างกายของตนนีเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิ้มก็ตายบ่าจิงมก็ตายได้ก็ตายว่ได้ก็ตายในที่นาถึงเรื่องท่าไหร่นี่เลยความดีของเราเสื่อมันบมีอยู่ในตัวของตนตลอดเวลาแล้วไม่ได้คมสุกสบายไปได้เกิบขนไได้เกิดขุนเจ็บฟองแบบนี้ มันเชนยังเข้าบริเขินเข้าบริสุดเมื่อเราเข้าใจแล้วิแล้วคราวนี้เราก็ตั้งใจทำระเข้าใจเรองของท้องสนแม่บันใจเยดะของเนีเป็นคนเกี่ยวท้องเรื่องทั้งหลายนี่ก็ชำระเข้าใจของตนเองถึงหัดละปล่อยวางทอดละถอดถอนเมื่บอกว่าจะเรื่องศีลเนี่ยบอามีเจตเจตนาละเมื่อเพ้นแจกการฆ่าสัตว์แลวก็ขึ้นอิริศจานาร์จะเพียนศินหายเพ้ยนแตกชิี้ิตเพี้ยนละเินสัมมตได้ลนี่ ตลอดถึงความคิดควาอ่านความกังวลเกี่ยวข้องสงสัยโดยตาสันแดงจ้องมดคิดหนักคิดหลังส่งพุทีก็โบไฟระบันยอมเซระเห็นคือเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเครื่องกังวลเฮ็ดเรื่องทั้งหลายนี่เป็นเครื่องเดือดร้อนไว้ใจสะหมดเป็นสุขจะไม่ยามหน้าไม่ยามถอนหินปล่อยวางให้คิดอยู่ใน อาลมันเดียวคือเอกาจิตเอกขาา ต, ตาลมแนงแน่่นอย่างนี้ทีเดียวคู่ไม่เห็นความสุขในจิตที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่เนี่ยความสุขสงบองนี้เนี่ยคนนั้นเสื่อมันในแจ่องตนแล้วอันนี้จับกายเป็นของดีบุิคาอีกคือสั น, นความสุขสงบนี้นไปขายวันไดก็ได้เลยเด็ดขาดซู้ขายขงมี้ก็เห็นบวบซื้อบว เห็นด้วยตนเองคาดแน่ด้วยตนเองจริงในใจด้วยตนเองขึ้นมานตั้งใจรักษาทุกเมื่อได้ปัญยืมเดินนั่ง น, นอนไปมาวันใดเห็นคนทศกอันนั้นใสยย่ยมองวอังเลยนะนี่เอกตาใจิตเอกตาลมันนั้นใช่าหมวันนัทฮีสันตีประลังทุกขแห่งความสุขอันใดจะเสมอได้คนสงบบ่มีก็ไดค้คนที่วัยเห็นของจริงนะจ๊ะ มันอยู่อันเดียวนี่สุขอี่งใหเต็มฟ้านแต่ลำแตะขับเท่งมันก็ยังบ่สุขคนเดียวสนนานมันยังไปใหญ่แอบฟ้านําขับเท่งมันมันหวนใหญ่แต่มันห้องหายใหญ่อะมันวุ่นวายใหญ่ตัวนึงมันยิได้ควสุขไเขาลก็เห็นความสุขอวาสงบคือเป็นเช่นนั้นเรเห็นควสุขวสงบจะไปหาความสงบมันก็มีอย่างที่บนอเขาแล้วเข้าใจว่าฉันจะอยู่ที่สื่อบบนี้อย่างม่ใช่สุขยังไงวะน คือก็เข้ามาในป่านะผู้ที่ได้ความสงบอยู่ค้เดียวนั้นในความสงอยู่คนเดียวนั้นก็อยู่ในป่าในดงมันสนุกเย็นสบายโอยม่วนคนเดียวสนุกอยู่คนเดียวอันผู้บุเคยได้ความสอยู่ในป่าคนเดียวเสีได้อยู่ในบ้านในเมืองอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ลูกเต้าหลังเหรนแจวกนถือชือด้วยนะม่วนนี่กับนั่นเดียวนี่เด็กน้อยห้องแจวแจวเขาบกเสียงสวรรค์สวรรคั้น อันนั้นเขาว่เสียงสวรรค์เสียเครื่องบันเลงโดนให่ล่ะบอกอื่นว่าไกลบ่กตัวเชื่อตัวเห็นก็ได้พระญาวุดรดจนเพระญาวยดอนพระโยกหกเป็นมหาที่เ่าอยังเราคนนี้ไปหาน่ะเด็กน้อยเซสล์ตัวตัวยืดหลานมันกขอยู่ได้รั้งเสียงสวรรค์เราแโอโหั่นยังั้นเลล่ะคนที่ผมเคยเห็นสุขคือความสง ชี้ก เ, เ, ส, ออเสื้อได้ยังไงวลาในฟังกระบวนเสื้อทาาที่เี่ยงมาเป็นโยกหกคนหนเห็่ยเจ็บจะหาไประเด็นจะเป็นมงคโยกหกแยังเห็นเหมือนกันเี๋จะคิดว่าอย่างไรเนี่เหตุนั้นจิงหวังความสุขความสงบในมันของหาได้งา่ายได้มาแล้วจึงควรรักษาบุญผู้ใดจะยอมสละชิมดอกยืนเดินนั่งนอนจะต้องมองดูของตนอยูตลอดกามเวลาผู้เช่นนั้นละ่ะจึงจะได้เชื่อว่าพวกเขาถึงทม คนนั้นน่ะจริงได้คืว่าผู้ที่ได้ของดีอันหาค่ากว่ได้มีของดีบ่มีค่ามันเป็นสั้นของดีพวกนี้ค่าอยู่ในตัวของเราดีเมื่เอาของดีนี้ค่าขึ้นหัวตาจมูกดีกายใจนี่แหละวัฏจักรนั้นมาเกิดของดีพวกนี้ค่าขึ้นมาของดีอันบ่มีค่านี่แหละเป็นสิ่งที่ถึงศาสนาอย่างยิ่ง ทั้งดีทุกอย่างนี้ขานีนหาในยากในโรกแบนี้เ็ะเพกิดมีขึ้นจะเพาะเต็แล้วคนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมีขึ้นในตนของตนแล้วนั้นอย่าไปขคินมันง่ายๆเขาบอกว่าข้าจ่ายเงินล้านมาซื้อมันก็บบได้ดอกแต่เราบบมีปัญญาเข้าใจว่าของโบมีขาดจึงขาด่าดกันทอดทิ้งเชียวจะเป็นหน้าสงสารเป็นหน้าเสียดายพอฟังกันก็ว่าลีนได้แก้กล วจะไปเห็ดยังเขปางเขาไก่เห็ดเจลธรรมดาไก่ไม่เคียกินแต่งดแต่ปวแต่ข้าสารนั่นสิเน่ยเคียไปเคียมาอยู่กลาง้านถขาไปเห็นเจลใส่มีอะไรเงี่ยมาเอาไปเห็ดยังนอชิก็บวได้เอาสัน้ไปข้าวสารก็ปวได้เขา่มันก็ไม่แนนั่นแหละมันก็เคยมันกเคยใส่เจลเนี่ยได้แล้วก็ชิมแล้ื้อไปข้าสารปเด็ดปวได้ไม่ข้าสานไม่เต็งมันยิ่งพิจิตรตัว คนเฮาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแค่ขาดปัญญาไม่มีความรู้ความเข้าใจก็เลยเห็นคุณค่าของดีงนั้นของดีที่พวมีค่าที่ว่านี่นะเขาเลยยอมชิมเช็จึงเอาไปนหน้าสงสารความที่พวมีปัญญาจึงเอาไปนหน้าเจไดที่ไปหาได้หรือย่าได้เหมือนแล้วไปยอมชิมเช็ดเพราะฉะนั้นกเรา่าพวกที่ได้ยินได้ฟังดังอธิบายนี้ นี่สองอย่างที่ว่านของดีหาขาบดบุไดก็ของดีมีค่าดทั้งสองอย่างนี้แล้วเข้าใจตามนายเทติปาไม่แล้วจงพาทัส้สมควยและแสวงหาของดีอันบนมีขาที่ว่านั้นเพื่อประโยชน์ตนสุกแก่ตนทุกทุกคนบุได้มียังบุได้หวังประโยชน์นี่นะเพื่อคุกุกแ่ตนทุกคนอันบนนั้นบอกสุกสมกันแท่จริงอันนั้นแหละที่จะเป็นนิมุ่งผลแก่ตนทุงตนในชีวิตของตนและอันนั้นแหละจะเสห็นพาตนไปสู่พระโดกลางนา อันน้เนเรื่องของหาค่าพอด้ายได้เจะใไ้ได้ตลอดกาลเวลาของหาค่าพได้นั้นโบมีมันจินใช้โบกินก็นจะเกลือของหาค่าได้น่นในในะไซด์เมื่อเป็นโดยนายที่อธิบายมามีเนื้อความโดยจะาปอธนีทุกๆคนจะขาดควาสมสนใจและตั้งใจพิจารณาให้เกิดสัญญาดังอธิบายมา น, นี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้เกิดส่ญญดินผลแก่ตนทุกๆคนดังอธิบายมาเบาาื่อเบืญญ่อตาอย่างนี้